โทษก็เห็นอยู่ในใจทุก์ที่เกิดจากโทษก็เห็นอยู่ในใจทำที่เป็นเครื่องมือสอดสองมองดูทั้งโทษทั้งทุกโทษหมายถึงความผิดทุกหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากความผิด ท่านก็สอนไว้โดยถูกต้องก็อยู่ในจิตแห่งเดียวกันบายวิธีแก้โทษเพื่อดับทุกข์อันเป็นผลของโทษท่านสอนไว้โดยถูกต้อง ละเอียดละออกมากในนักปฏิบัติเร า, าสอนตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักใหญ่กว่าอย่างอื่นศีลก็ต่างองค์ต่างรักษาอยู่แล้วคือส่วนหยาบโทษส่วนหยาบที่แสดงออกมาทางกายทางวาจา มีใจเป็นตัวการสำคัญเราก็รักษาอยู่แล้วเพราะสิ่งหนี้รักษาได้ง่ายกว่าทำประเภทอื่นๆสมาธิปัญญาตามขั้นตามภูมิท่านสอนไว้แล้วโดยละเอียดละอ่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 ภาในจิตใจก็เป็นตัวโทษอยู่แล้วนั่นแสดงอากับกิริยาออกมาทุกอาการโวนแล้แต่โทษส่วนธรรมไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่มากธรรมก็ประกาศตังวานมานานครูอาจารย์ทั้งหลายที่แนะนำจังสอนโดยถูกต้องแม่นยำขั้นก็สอนมาอยู่เรื่อยๆ ครูรับการอบรมศึกษาจากท่านก็รับเรื่อยมาแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการอบรมฝึกฝนทรมานตนจากครูจากอาจารย์นั้นไม่ค่อยปรากฏมีแต่สิ่งที่จะแก้จะถอดถอนจะทำลายมันนั่นแหละ จเจริญงอกงามขึ้นภายใน จ, ใจิตใจมากกว่าธรรมจะเจริญภายในใจนี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากสำหรับผู้ให้การแนะนำสั่งสอนยิ่งมาสับปนกันมากๆไม่ทราบมาจากแห่งขนตำบลใดและไม่ทราบป่ะได้รับการอบรมอย่างไรหรือไม่ มาคราเขากันแล้วเลยกลายเป็นทะเลมูดทะเลคู่ประดามตามกันหมดเก่งๆก่างๆเด่นๆดานๆหนักใจจะตายทั้งผู้อยู่ก่อนทั้งครูอาจารย์มันได้เรื่องได้ราวอะไรมีนักยิ่งนับวันมากขึ้นทุกที มากเพื่อความดีงามก็พอทําเนาไอมากเพื่อความเหลวไหลเหลวแหลกหนี่กิจะทำให้แหลกไปทำตามกันหมดควรคิดควรคำนึงให้มากนักปฏิบัติญาเห็นแจกความสุขความสบายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาหลอกลวงเป็นประจำเท่านั้นจะไม่มองเห็นทางออกเลย ถ้ายังมีความอะไรเสียดายอยู่กับความสุขอันเป็นนิสัยของกิเลสฝังใจอยู่แล้วจะไม่มีทางออกธรรมจะประกาศกังวานอยู่ทั่วแดนโลกธาตุก็ประกาศแต่ธรรมแต่ไม่เกิดประโยกน์กับผู้ไม่สนใจผู้รักใคร่ต่อกิเลสอันเป็นกองเพิงทั้งหลายจะคุกค้ากันอยู่อย่างนั้นตลอดไป หาต้นหาปลายไม่ได้ถ้าไม่มีการชำระสาสางไม่มีความอดความทนความควมทนความอุตสาห์พยายามนี่จริงเป็นที่หนักใจอยู่มากเคยสอนมู่เพื่อนก็สอนมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งด้านปฏิบัติหนักเบามากน้อยเพียงไรก็ได้นำมาสอนอะไรในโลกอันนี้จะเป็นเรื่องยุ่งเรื่องยากเรื่อง เหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกและของเหานี้ไม่มีเลยเมื่อเป็นจช่นั้นการแก้ไขาการถอดถอนการต่อสู้กันจึงต้องเป็นเรื่องหนักไม่ใช่น้อยถ้าเราจะเอาแบบกิเลสมาใช้กับกิเลสก็เป็นการเพิ่มพูนหรือบวกเยเ่ให้มีจำนวนมากและมีกำลังมากขึ้น ทุ ก, ก็เพิ่มขึ้นตามตามกันกับกำลังแห่งกิเลสมีจำนวนมากเราหวังผลประโยชน์อะไรทำไมเพิ่มพูน ด, ด้านธรรมะขึ้นวิริยะก็ต้องเพิ่มคือความเพี่ยนอุบายวิธีการต่างๆ ต, ต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสังเกตเหตุสังเกตผลสังเกตการลบการบวกของตนเอง ในกา ร, ป, รปฏิบัติภาคเปลี่ยนสักแต่ว่าทำเฉยๆจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสติเป็นของสำคัญเคยพูดเสมออยู่ที่ไหนอิริยาบถใดให้เป็นเหมือน ก, นกันกับเข้าต่อสู้สงครามอยู่ตลอดเวลา ทกุก็ยอมทุกกับการต่อสู้ย่ายอมทุกเพราะความแพ้เพราะความนอนใจความคล้อยตามสินที่มีอำนาจเหนือกว่ากว่าอยู่แล้วทำไมอริยสัจมีเต็มอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีอะไรบกพร่องเลยทำไมจึงไม่เห็น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 พกที่แสดงเปลวขึ้นมาภายในใจก็มีสิ่งเชื้อของมันส่งเสริมคือสมูทยัยความคิดความปรุงด้วยความอยากในแง่ต่างๆไม่มีประมาณนั้นคิดอยู่ตลอดเวลารุงตลอดเวลาสำคัญมั่นหมายอยู่ตลอดมีอะไรเข้าไปขัดไปขวางมีอะไรเข้าไปทดสอบเข้าไปพิจารณา เป็นเครื่องคัดค้านต้านทานกันบ้างถ้ามีมันก็ควรจะรู้เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากจิตแท้ๆสติปัญญาก็ผิดขึ้นได้ในจิตอยู่ด้วยกันถ้าไม่ปล่อยเรื่องสติปัญญาให้เลี้ยแหลกแหวกแนวผเสียเท่านั้นมีตั้งแต่เรื่องของทุกข์ของสมูกไทยทําหน้าที่เต้นหัวใจอยู่ตลอดเวลาแม้ขณะ ที่สำคัญว่ากำลังทำความภาคเพี้ยนอยู่ถ้ามาเป็นทำนองที่กล่าวนี้ยังไงต้องรูต้องเห็นเพราะสัจธรจะทนี้โสดๆร้อนๆริวแท้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาภายในกายในใจของเรา ไม่เป็นสิ่งที่จะต้องคว้าหารนูนคว้าหานี่คว้าไปตามเวล่วลาตามระดูการตามสถานที่นั่นที่นี่ตามเอียบดทนั่นนี่มันมีอยู่กับกายกับใจนี้ตลอดเวลาโดยไม่เลือกว่าการสถานที่เวล่วลาใดๆเลยแต่เป็นของมีอยู่เป็นปัจจุบันนธรรมหรือว่าจิเรตแไปกับเป็นปัจจุบันของมันดูนั่นทํ ร, รมก็เป็นปัจจุบันธรรมยดยกขึ้นมาพิจารณาเมื่อไหรก็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 จะเป็นใครถ้ามาแค่เป็นเรื่องของจิตตัวหลับตาไม่มีสติปัญญารักษาตนนี่เล ย, ยเปิ้งไปเหมือนลูกฟุตบอลเท่านั้นไม่มีอะไรมาเป็นวัตถผู้พิจารณาต้องพิจารณาตรงนี้แล้วสงสัยอะไรเรื่องสงสารโลกสงสารอันนี้มีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าอาัศจรรย์ น, น่าแปลกประหลาดอหน้าติดอกติดใจอ้อยอิง ยึดให้ถือให้ค้อยตามตลอดเวลาไม่เวลาเจิดจา ง, งเลยนอกจากเครื่องลอกของเป็นเครื่องลอกของกิเลสโดยดาเยอะเท่านั้นเราสงสัยอะไรท่านผู้วิเศษไม่ใช่ท่านผู้นอนผู้นอนจมอยู่ในกองทุกนี้ผู้สลาดปัดทิ้งซึ่งสิ่ ง, งทั้งหลายเหล่านี้แล้วได้หลุดพ้นไปจริงให้น้ำขึ้นมาเป็นผู้วิเศษขึ้นมาและเป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้ดังพระพุทธเจ้า อุบัติขึ้นมาองค์ไหนก็วิเศษองค์นั้นพอพ้นจากสิ่งโสโปรกสงมุมไปแล้วถ้าสงสาวคองค์ใดก็ตามก็ไม่ว่าสาวกของพระพุทธเจ้า พ, พระองค์ใดเมื่อหลุดลอยออกจากกองมูดกองคู่คือกิเลสประเภทต่างๆแล้วเรียกว่าได้เป็นผู้วิเศษด้วยกันทั้งนั้นทมที่ท่านได้บรรลุท่านเนธ ถ้าในกัสรู้ก็เป็นธรรมวิเศษแล้วเคยเห็นที่ไหนว่าอิเลสตัวราคะวิเศษโทสะวิเศษโมหะวิเศษความรับความชังความเปลียดความปรูดวิเศษมีที่ตรงไหนเราถึงได้รักได้สงวนเอนักหนายิงไม่ได้เคยเห็นภัยมันนอกจากถูกกล่อมตลอดเวลาการเกิดแจ็เก็บตายถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นโซ่เป็นรวน ผูกมัดรัดรึงแล้วจะอะไรเป็นผู้ผูกมัดรดรึงเป็นผู้ชักผู้จูงให้เกิดในภพชาติต่างๆพร้อมกับการหากรองทุกข์ไปโดยลำดับกำดาในภพชาตินั้นๆถ้าไม่ใช่ประเภทเหล่านี้จะเป็นอะไรไปทรมีที่ไหนว่าพาสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ให้ได้รับความลำบากไม่เคยมี ทำพาถัดโลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงพาเกิดจะเก็บตายไม่เคยมีทำให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความทรมานไม่เคยมีทำพาะหสัตว์โลกได้ลมจมชิบหายให้เป็นผู้ต่ำช้าเลวสามไม่เคยมีเมแต่ให้วิเศษวิสโสเท่านั้นดิบดีขึ้นไปโดยลำดับลำดายจนถึงขั้นวิเศษวิสไอ้ที่ก่าวมาเรา นั้นมันล้วนแล้วแต่เรื่องของเจกิเลส้าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ความยากความลําบากความทรมานความต่ำช้าเร็วสาเกิดนั่นเกิดนี้เกิดไม่หยุดไม่ถอยเกิดที่ตรงไหนแบกทุกข์ที่ตรงนั้นคําว่าไม่ได้แบกทุกข์นี้ไม่มีถ้าลงชื่อว่าได้เกิดแล้วกามากจะน้อยมีต่างกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเอง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 ความเพียรเราทําไมจึงให้จิเลือดเยียบย่ําทําลายอยู่ตลอดเวลามันมีเสศษเหลอะในวงความเพียรเดินจํากลอมก็ให้จิเลือดเยียบนั่งสมาธิก็ให้จิตเลือดยียบย่ําทําลายแม่ว่าอายาบทใดประกอบความภาคเพียรเมื่เรื่องของจิตเลือดเยียบย่ําทําลายอยู่ทําเกิดขึ้นได้ที่ไหนความเพอะหรือความไม่มีสติสตังความไม่จดจ่อต่อเนื่อง ความไม่เอาไหนเรื่อง น, นี้ล้วนแล้วตั้งแต่เด่แทรกอยู่ตลอดเวลาแล้วทั้งหลายอยากทราบเอาพิจณาตามที่กล่าวนี่นี่แตยพิจณามาแล้วไม่ได้คุยไม่อย่างนั้นไม่ได้สิ่งเดียวนี้มาพูดต่อสู้คนแจนชีวิตบางทีจะหาไม่ไปเลยก็มีแต่มันก็ไม่ตาย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 ที่มันติดมันพันอยู่ในสิ่งเหล่านี้แยกแยกออกให้เห็นตามความจริงของมันตั้งแต่ผมผลเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปถึงภายในนอกจากความเป็นปฏิกุณโโครกไปหมดทั้งร่างนี่แล้วยังท่านยังแสดงอนิจังทุกขลณาตาทับลงไปอีกซึ่งเป็นส่วนละเอียดเป็ น, นหนักไป เราอยู่กับกองอนี้จังเป็นความสุขแล้วเหลือดูกับกองทุกข์กอดกองทุกข์เป็นความสุขหรือดูกับอนตัตตกอดความกอดอนัตตาอยู่ว่าเป็นตนเป็นตัวอยู่นั่นมันเป็นความสุขแลเหลือถ้าสุขโลกนี้บ่นกันทําไมโลกเนี้ยต้องแบกทุกข์กันทําไมเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยนิจังทุกขออ์อนัตตาอยู่แล้วหากว่าพาโลกให้ประสริจริงๆ โรคนี้ควรจะประสบเป็นนานแล้วนี่ก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเสีย้ยนเป็นหนามเป็นพิษเป็นภัยนั่นเองเองเนพีพิสอนให้พิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนตนออกจากสิ่งเหล่านี้การถอดถอนตนออกได้มากน้อยนั่นคือความพ้นภยัภยไปได้โดยลําดับเมื่อถอนได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ภายไม่มีความทุกข์ก็สิ้นซาบลงไปเพราะยิ่งเรศสิ้นซาบ นี่เลยซอนท่ำๆสักๆ ส, สอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลาตั้งสามสิบกว่าปีแล้วเลยั้งปั่นนี้สังขาหน้างกายก็ร่วงลุยลงไปร่วงลุยลงไปหมู่เพื่อนคอยพอที่จะได้รับเหตุรับผลเป็นเครื่องทํานุบํารุงจิตใจให้สืบต่อขนแดงแห่งธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมขึ้นไปก็ไม่ค่อยปรากฏเขาทำยังไง ตามปกติก็ไม่ประชุมเพราะเหนื่อยลำบากในท่าในขันแต่ก็ทนเอาอพอถูถ่ายได้จริงต้องลงหมาหเพื่อนควรจะเห็นใจตัวเองด้วยเห็นใจครูอาจารย์ด้วยทางหน้าทางตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นค่าศึกคำว่าค่าศึกอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นไม่มีความเคยเป็นความเคยชินต่อผู้ใด ใครสัมผัสสัมพันธ์เข้าก็เหมือนไฟต้องร้อนทุกระยะร้อนทุกจุดที่สัมผัสกันฮิเลศก็เหมือนกันอย่างนั้นเองวันหนึ่งคืนหนึ่งประกอบความเพียรมานี้เป็นผลอย่างไรบ้างได้บวกลบคูณหารกันบ้างหรืออย่าง ควรจะพิกแพงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันอย่างไรไม่มีสติปัญญาไปไม่รอดนะนกักีเลศนี่แหลมคมขนาดไหนได้เคยพูดแล้วมีสติปัญญาเท่านั้นที่จะเอาตัวรอดได้อย่างที่เคยเป็นมาก็เรื่องของกิเลสอยู่แล้วจะเอารอดหรือจะรอดหรือไม่รอดมันก็จมอยู่แล้วมีปัญหาอะไรที่จะพูดขึ้นมานอกจากจะช้าสติปัญญาให้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 อย่าทำละหลอแหล่แห ล, ะ ล, ะละ่อยู่ที่ไหนก็ให้กิเลสไปทํางานเสียในวงสมาธิก็ให้กิเลสไปทํางานอยู่นั้นเสียมีแต่ชื่อว่าสมาธิภาว น, นาก็มีแต่ชื่อผู้ทํางานทิงเรื่องของกิเลสความเพ้อเลอความเลื่อนลอยหาความภาคเพียนไม่ได้หาความอดทนไม่ได้หาสติปัญญาไม่ได้ไปให้เป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมด แต่แล้วก็จทัทวงเอามระผนิาพานเอาทวงเอ า, าพระผนิพานจากกิเยสมันได้ที่ไหนถ้าไม่ทวงจากอัดจากธรรมมีสติธรรมปัญญายธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเป็นต้นอืไม่ต้องทวงก็ได้ขอให้หนักแน่นในธรรมหน่อนีอ้จะเป็นกุญแจเปิด อ, ออกให้เห็นแจ้งชัดเจนในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่มากน้อยอย่าประยดพ้นสติปัญญานี้ไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าเคย ประกาศกลางวานมา 2,500 ปีนี้แล้วด้วยธรรมเหล่านี้เราพุ่งปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรนอนใจผมมาศึกษาอบรมทอสงควรที่จะขยะับขยายก็ควรพิจารณาถึงหมู่ถึงเพื่อนที่เข้าใหม่ก็มีผู้จะมาใหม่ก็มี หัวใจมันมีคุณค่าโดยการมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันทำนี้ถึงจะแน่นแน่นอัดแน่นตลอดเวลาผู้จะมาใหม่อบรมศึกษาก็มาไม่ได้เรื่องสุดท้ายผู้อยู่เก่าก็มาไม่ได้เรื่องอีกแน่นอัดกันอยู่เลยกลายเป็นข้องอื่นข้องตาไปเสียหุ่นในข้องเต็มข้องอะไรแต่ควาแต่จะลงมาน้ําร้อน ว่าก็เลยเป็นเหมือนข้องปลาไปเลยิมันมร้อนๆกับคือราคักคินาโทสักคินาโมหคินาเนี่ยจะเป็นอะไรไปนี่ดูมันโอ้มันขวางตามากในะระยะนี้นะทำให้คิดอะมากทีเดียวที่เราห่างจากการแนะนำส อ, อนการอบรม ตั้งแต่ออกพรรษามาแล้วนี้สุขภาพไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนแต่ก่อนการอบรมสั่งสอนมู่เพื่อนก็น้อยลงไปน้อยลงไปจนแทบจะขาดไปในบางครัง้งมู่เพื่อนก็มาเรื่อยๆืยมองมองดูก็ขวางแล้วฟัง ด้วยหูก็ขวางแล้วสัมผัสสัมผัสอะไรขวางไปหมดอะไรมันขวางถ้ามันใชเรื่องของกิเลสมันจะมาขวา ง, าางไหมไหมเรื่องความผิดความพลาดความไม่น่าดูความความเผลอความรู้เท่าไม่ถึงการเหล่านี้มันด้วยแนวแต่เป็นเรื่องคลังของกิเลสทั้งมวลแสดงตัวออกมาเจ้าตัวไม่รู้พูดออกมาเจ้าตัวก็ไม่รู้กิริยาที่แสดงออก ทุกอาการเจ้าตัวไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่สนใจพิสูจน์ในตัวเองนี่สำคัญมันจึงไม่รู้ผู้อื่นอยู่ใกล้ให้มองเห็นให้รู้ เดือไปต้องกำไลถึงไหนมันรู้สึกหน่อยยึดยุดเพียงแค่นี้คุยไปกคนไหน